เพื่อเสริมช่างเพื่อย่อมการงานของเราจะมีงานทำงานของเราคือมีสติไปในกายถ้ามีสติไปในกายก็ถือว่าปฏิบัติไม่ผิดทั้งหมด เหมือนพระพุทธเจ้าสอนมหากระจปะพระมหากระจปะเห็นพระผู้วดเมื่อแจอรุ่นเหล้าขาวเดียวกับพุทธเจ้าเป็นสายกันกันมีสามข้อโอ้สาม กัจจปะเอ้ยยจงจงมีสติไปในกายกัจจปะเอ้ยเจอจงเงี่ยงหูฟังในเวลาใครบอกใครสอนกัจจปะเอ้ยเจอจงเคารพภิกษุผู้เท่าผู้ปานกลางและผู้หนุ่มให้ปฏิบัติอย่างนี้ ทหากระปะปฏิบัติในโอวาสามข้อเท่านี้เป็นพลังหันได้เราก็คือทั้งหมดของการปฏิบัติธรรมนั่นแล้วโดยเฉพาะมีสติไปในกายก็เป็นธรรมบีนยัยแต่หม่เป็นอันเดียวกันทั้งหมดได้ ถ้าทุกคนมีสติไปในกายทุกคนก็มีกายเหมือนกั น, กนมีสติมีความรู้สึกระหักได้ไปในกายนลคนวทำความดีเป็นคนคนเดียวกันไปเลยเราเป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้ มีงานทําแบบนี้อย่าเอาอเลยมาอ้างอ้างว่าเจ็อ้างว่าหน่มอ้างว่าเจ็บป่วยอ้างว่าอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นร้อนนักหนาวนักเหนื่อยนักยังเช่าอยู่ยังสาอยู่หิวอ ย, อยู่ไม่ใช่ได้มีจิตใจเป็นในกายไม่มีอะไรที่มาอ้างได้ มันก็อยู่กับเราอยู่แล้ ว, ลวก็เหนื่อยก็คือกายก็หิวอะไรคือกายอย่าโทษจตฺผภาณให้ทั้งอะไรนอกจากสติไปก่อนจะเป็นอันเดียวกันเร็วจึงมีงานแบบนี้กัน จะลุกจะนอนจะตื่นจะเดินจะไปไหนมาไหนมีสติทั้งนั้นที่ว่ากรรมฐานที่ตั้งของการกระทาแต่ั้งม่ถ้าไปเอาตั้งมาตรงนี้มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรในคุณธรรมแต่เป็นบนเป็นกุศลก็เป็นได้ยาก วนก็นก็ดีมันก็ทำตั้งต้นจากตรงนี้กันอาจจะไม่มีอะไรแล้วก็มีมนุษย์สมบัติเป็นพ่อมแล้วเหลือแต่การกระทำอย่างเดียวเราไปทำอะไรที่ไหน ชัวโมหนึ่งทรรลายนาทีหนึ่งธรรลายวินาทีหนึ่งธรรลายอาจใช้ชีวิตเรื่องนี้อย่างนี้ลองดูให้เต็มที่สุดฝีมือให้โอกาสเจอกันและกันอย่าแบ่งเวลาอะไรที่ทําให้คนอื่นหลงสนับสนุนให้คนอื่นได้รู้ ช่วยกันตามวิถีทางที่เราเควรจะช่วยกันได้เรียกว่ากันละยานามิตรกันละยาณธรรมสหายธรรมจนสนุนส่งเสริมให้กันได้มีสตีไปนในกายก็มีงานแบบนี้ตื่นขึ้นมาก็ทำวัดเช้าทำวัดเย็นฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมกันไป แม้จะเจ็บอารมณ์มาปฏิบัติธรรมมาทำวัดก็ไม่ผิดเจ็บอารมณ์ไปบินรับวัดก็ไม่ผิดไปทําอะไรก็ไม่ผิดถ้าเป็นงานโชคตามกิจวัดไม่มีอะไรผิดอาจะมีสิ่งที่โขดเกาก็มีทุ่ ด, ดงเอวัดเสริมเข้าไปอีก ต้องจะดินนิดสั่ยเห็นเจะปากจะท้องก็อเอแกนี้ขังคะเข้าไปเลยกินข้าวเมื่อเดียวที่เดียวลูกจากที่ด้านนั้นแล้วไม่กินอะไรไม่เคี่ยวอะไรอีกจะฉันเจะ ทาอาหารก็นั่งที่นั่นเท่านั้นเลวาอาฉนะสาลานั่งที่ตรงนั้นจึงค่อยฉันได้ที่อื่นฉันไม่ได้ของเชี่ยวของเกืนพอฉันได้เช่นน้ำไม่เสพนน้าปานะเป็นยาไว้ชีวิตไม่ต้องนั่งที่นั่นก็ได้ แต่การเคี่ยวอาหารเน่ที่เดียวโยเอาการอาในคังค่ะกูดมันลงไปเน่จะคิดในคังคะแต่มักนอนเกินไปกันนั่งไม่ต้องนอนหัวมันละไม่ต้องหลังเอ็นลงใส่เอ็นที่นอนไม่เหยียดหลังไม่เอ็นหลัง ถ้า แ, แต่นั่งหลับก็นั่งหลับเอานี่โดยนเชินีกังคะถือทุดงขวัดขูดรันไปถ้ามักอยู่ที่สะดวกสบายที่ม่งที่วางพอว่มพอแดดกันไปก็ลูกขมวลละวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดไปเลยโสตายไปเลย ถ้าสรุยสิร้อยพุ่งพวยก็เอถ้าสามผืนเป็นวั ด, วดไม่ต้องมีอะไรอกีกนี่สามผืนไม่ต้องมีผืนที่สี่ถ้าพุ่งพวยกันไปชุดนั่นชุดนี้ ถ้าไม่รู้จักเป็นลเวลาถ้าม่รูจักอะไรเป็นระเบียบเป็นถบาทเป็นวัดขาดผลตกก็ไปเป็นถบาททางเดียวเป็นวัดอันหน้าประชางเดียวคนเราเดินไปข้างรับเป็นถ้าาข้างซ้ายก็รับทางช่องข้างซ้ายรับเป็นถวาข้างขวาก็เป็นถ้าบาทแต่ข้างขวา ถามีคนอยู่ข้างซ้ายก็มาไม่บอกขอมาทางขวาอันหน้าไปทางเดียวโดืนิยมบราณของเราเวลาบ้าบินทบาตรห้ามห้ามผู้ใสาบาตรยืนทับเงาของพระ หมายถึงทางให้คนใส่อยู่ทางทิศตะวันออกเงาของพระไปทางทิศตะวันตกคนที่ใส่บาตรก็มาเยืนทางทิ่ตะวันออกให้พระเหยียบเงาของโยมบางทีเขาถือแบบนั้นดางแถวมองเลยมงลองเหลาเขาชอบนั่งแบบนี้แล้วก็ชอบสนัดกันไปที่เดียวกัน เป็นกลุ่มเดี๋ยวแลกลุ่มแล้วก็จะไปปูเสือ่อปูอะไรนั่งไว้ยาวๆถ้าผู้ชายก็ยืนถ้าผู้หญิงก็นั่งลุกเขา่ามีก่องขา้าวตั้งไว้ใจเด้อด้อยเท้าหัวแม่เมือเนี่ย เรากเินไปก็รับมิทธบาททางเดียวแถวเวียงจันแถวหลวงพระบางถ้าใครไปเที่ยวหลวงพระบางก็ไปดูการมิทธบารพระร้อยสองรอยลูกไปกร่วมกันคนก็ใส่บาทพร้อมกันเป็นแถว เอเอ เ, อเนทบาทเป็นวัดฉิบสามข้อขูดลงปลอยพอสมควรแล้วมันอ่อนลงมาก็เลิกจะมาทานเท่าไรไตาชีกาที่กลัวก็ถือป่าชาเป็นวัดอยู่ป่าชาเป็นวัดตออกทุ่งงไปนอนตามป่าชาเป็นวัดแล้วเหมือนกลัว นอน้างหลมฝังศพเป็นวัดนั่งดูเขาผาศกตลอดตั้งแต่ข้ามจนสว่างเป็นวัดลองดูหลงตาก็เคยมาแล้วดองลองดูก็เหมืนอนเฉียวก็ลุกไปเฉียให้มันไฟมันลุก อยู่นี่ก็มีเขาผเผาโยมไปเผาศพอย่าน้องสีเป็นนั่งเผ้าศกเผาต้องตรอดแจ้งเลยนี่ก็ขุอทุดดงโขดเกาถ้ามันไม่ดื้อไปด้านอะไรก็ปกติอยู่ที่ไหนก็ได้ ถ้ามันดื้ออะไรที่มันมีจิตเลนิสัยแบบไหนลาค่าเจริโตสาเจริญลาข่าเ จ, จ, จริตให้มองอุสุภะกรรมฐานโตสาจริตให้แผ่เมตตามองกรนีแง่ดีนี่หัดไปแต่เวลาเราจะสอนตรงนี้กรรมฐานทั้งหมดเลยวิจติไปในกายคือทั้งหมดตั้งเลย มันจะเห็นมันจะกลัวเกิดขึ้นก็มีมันจะอยันมันจะขี้เกียจมันจะสุขแก่ทุกข์หล่าคาโทษามหเกิดขึ้นรู้ทั้งนั้นไม่ต้องไปที่ไหนอยู่ในกติของเราก็ได้ทั้งหมดแล้วกรรมอเดียวแล้ว ไม่ยากไม่เหลือวิสัยที่เราจะทําได้คนพิการก็ทําได้คนป่วยก็ทําได้น่าจะดูกายไม่สีไปในกายมันเหลือจะตลมหายใจก็ยังทําได้เคลื่อไนไหวมาได้เหลือจะลมหายใจก็ยังมีโอกาสปฏิบัติทำมารู้ทำได้ มันมีกายมีลมอยู่ก็เรียกว่ากายต้องหายใจคลือกายการเคลื่อนไหวทุกอย่างคือกายนั่นไม่โจนเรื่องนี้มนุษย์สมบัติแล้เวเอามาทำประโยชน์นั้นคนก็หายน้ำเดินไปไปเห็นน้ำในรอยควายนิดเดียว จะเอาะไรตักก็ไม่ได้จะเอาประโยชน์จากน้าน้อยๆนี้ก็เอาสังขาติวางลงเหนือน้ำแล้วก้มลงค่อยๆค่อยๆให้ผ้าถึงน้ำแล้วค่อยๆดูดกินประคับประคองให้คนเอาประโยชน์อย่ามองข้าม รวามรู้จึกตัวเอาประโยชน์ได้ทุกโอกาสแม้อกาสมันหลงก็เอาประโยชน์เมื่อโอกาสมันทุกก็ได้ประโยชน์มันทุกเพื่อรู้มันสศกเพื่อรู้ ม, รมันไมีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นเพื่อรู้ไม่ใช่ไปอยู่ที่ไม่ดีอยู่ท่านดีกว่าไม่ใช่มันจะดีก็อยู่ที่เราเปลี่ยนให้มันดีทำให้มันดี นั้นผิดจุ๊ยที่ไหนทำให้มันรู้ไ oh. ด้ตั้งน้น oh. เรียกว่า oh. ใช่เวลา oh. ถ้าเราไม่รู้เวลาก็ใช่เราเจีย oh. เวลาไปเท่าไหร่ oh. ไปไหน oh. ไปหลงที่ไหน oh. กลับมาก่อนยังมาให้มันรู้มันไม่ใช่ oh. Oh. ตรงที่ใดรูที่ น, นั้นมันไม่ใช่รูที่ไหนแมาเปลี่ยนให้รูเทีย น, นได้ทั้งหมดชีวิตของเรานี่เพื่อการนี่โดยตรงอย่าอะไรมาอ้างไม่เป็นการกระทาตรงลงไปปฏิบัติตรง อันเดียวกันเลยนี่สติเป็นในกายคือทั้งหมดตรงต่ออะไรทั้งหมดแล้วอะไรก็ลู้อะไรก็ลู่มันจะหลงมันจะ ล, จะลู้อยู่ที่กายเนี่ยอย่าทอดสะพานให้ความหลงตรงไหนที่มันหลงลู้หลงไป เอาว่าให้มันเป็นใา้มันจำในจำนานถ้าไม่หัดก็ทำไม่เป็นไม่ใช่ไปท่องไปเขียนไปจำมาไว้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเอาของจริงสัมผัสให้เวลามันหลงก็รู้อย่างนี้ถ้าหมหากัจะจะได้มารู้ทมเพราะเรื่องนี้ จนเป็นประธานสงฆ์ในการาทำสังฆนาขั้งแรกพระหมหากัจจปะชอบอยู่ป่าเป็นวัดถือทุดงข้อนี้เป็นวัดพวกเรามีป่ามีอะไรอยู่ก็เพราะพระหมหากัจปะเป็นผู้ที่ต้นตำรับจะหมายนั้น พระพุทธเจ้าก็ชวนพระมาสปะมาอยู่ด้วยกาจสปาเอ๋ยเธอก็เจอแล้วมาอยู่ด้วยกันเธอแล้อยู่ในที่ป่าลำบากมาอยู่ด้วยกันอาหากัดปากราบทูลว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญ <c oughs> ก็ เ, เพื่อคนรบุตโลูกหลานเพื่อเกิดจุด้า้ภายหลังว่าสาวของพระองค์ยังมีภิกษุผู้อยู่ป่าอยู่เพื่อเขาจะได้เป็นเยี่ยงอย่างไม่ใช่อยู่แต่นในบ้านในเมืองยังมีอยู่พูะเจ้าก็ได้ เย็นคำราบทุนของมหากติปะก็สาธทุอนมโมทนาก็ะจะงมีกติกัจัปปะอยู่เคตะวันนะใกล้ๆกับส ต, ติของของใครล่ะฮะกติของใครใกล้ๆกันนะ พระอะไรพระที่มีอัติเรกลาบมากๆพระนพระชีวลีฮชีวลีเป็นพระที่มีอัติเรกลาบมากก่นศรัทธาเยอะเดี๋ยวใกล้ๆกันบางคนบางทีนักแสวงบนไปเพื่ออยากมีลาบมากๆไปจุดทูบจุดเตียนอยู่กับปิติ ศิวะลีขอลาบบางังมากขอกราบขอไ่ว้คันทกโกติของพระศิวลีแต่หล่นตาไปกราบพระมหากระจปะกติมหากระจละหลังเล็กๆของอิดไม่มีใครไปดูแลเห็นเขียนไว้คันทกโกติของพระมหากระจปะ คันธั ก, กดฎิของพระมหาองพระศิวลีและธักดฎิของนวลคันธกุดิของโมงคัลลาสาริวัตอนุรุทธอุบาลีอยู่ในแนวหน้าเพื่อใครจะมาต้องผ่านพระภิกษุเหล่านี้เพื่อเป็นเสนาบดีจิงเด็กเข้าไปหาพระเจ้าได้ ตอนตาก็ไปอ่านดูเห็นกติคันท ก, กติของพระหมากรจจะะเจาะไปกราบนะโยมเห็นเราไปนั่งกราบไม่ไปกติสีวลีกับเขาอร่อยมาอะไรนี่แหละอาจารย์ของเราพระหมากรจจปะเป็นพระอยู่ป่าเราเห็นพระป่าอาจารย์ของเราเราเยื่ยงอย่างของพระหมากรเ จ, จะปะนี้นก็มากราบด้วย ถือทหลงข้อนี่เป็นวัดพวกเราก็ลองใช้ดูลงจักกติมาอยู่ในป่าเป็นวัดลองโลชักสี่สิบวันก็มีคนไปปังเต้นอยู่ว่างเ้าหน้าให่พออย่างไรงไเต้นอยู่กลางแข้งเป็นวัดโศกตายไม่มีที่ร่มที่เงาอยู่กลางแข้งแต่ว่าล่ม การแจ้งหลอมฟางอาศัยล่มลแต่ไม่อยู่ใต้ล่มให้บงังแดดให้จมูก ต, ต้นไม้ร่มมันไปทางทิศตะวันตกก็เลื่อนไปทางทิศตะวันตกล่มมันทวีทิศถัดสะดงลงไปทางทิศตะวันตกก็ไปอาศัยล่มทางทิศตะวนตันอกแต่ไม่ได้อยู่ใต้ต้นมันการแจ้ง อท้องผ้าเป็นหลังคาาใส่ร่มวังแดดเท่านั้นเอาเลื่อนไปก็มีทุ ด, ดงอีกข้อหนึ่งที่ปฏิบัติกันอยู่บางทีก็ไม่ต้องหลบตรงหลีกฝนตกก็ต้องเปีย่ยก เราก็ไม่รื้อขนาดนั่นดอกเพียวมีสติก็พอแล้วโกรเกาแล้วทุดดงแล้วนั่งอยู่ในกติกของเราก็คือทุดดงแล้วดัมางม่วงขึ้นมาตื่นขึ้นมาทุดดงโกรเก่าแล้วถ้าอยู่ในป่าก็อาจจะนั่งง่วงได้ยังไม่ใช่รูปแบบยังไม่เป็นทุดดงที่แท้จริง ธุดงที่แท้จริงคือมีสตินี่แหละดีที่สุดแล้วอยู่ไหนก็ทุดงได้โคตรเกา่าโคตรเกา่เกาเปลี่ยนร้ายเป็นดีโดยพวกกรรมฐานนี่เป็นอย่างนี้เป็นทุดงที่ยอดเยี่ยมที่สุดปฏิบัติปฏิคือโต้ตอบทักท้วงตรวจสอบทําเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนปีเป็นถูกเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์นี่แหละคือทุดง เราก็ได้ทำกันแบบนี้มาทั้งหมดแล้วถึง <Yeah. S 1> เพียนก็เถอะพวกเราอย่าอ้างอะไรทั้งสิ้น mm hmm. มันจะหลงมันจะรู้ม่มีอะไรอ้ามเ mm hmm. ก, กิดกับเราเองคนเดียวแท้ๆอย่าไปโทษใครแม่ mm hmm. มีคนทำให้หลงก็อย่าไปโทษเขา ไม่มองตนอย่างนี้วิสัยการมองตนอย่างนี้เป็นบัณฑิ ต, ตวิสัยบัณฑิตมักจะมองแบบนี้มองตนแบบนี้โทษตนแบบนี้ไม่ใช่โทษคนอื่นเอาลองไปถ้าจําเป็นต้องมีงานชนลองก็ทํำลองไปไม่ถือว่าผิดอาจใช้จิตไปในงานการ ทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำมานก็มีได้เป็นได้บรรลุธรรมไปพลางประบัติปฏิบัติทําไปพลงังลบไปพลางบารรลุธรรมไปพลงังลบกบข้อศึกษาจิเลสบรรลุธรรมไปแล้ววันหลงลบกับความหลงไปถึงความรู้ชนะความหลงเป็นความรู้แล้วชนะเล็กแต่น้อยไปงานทุกลบกบความทุกไปถึงความรู้ มาก็ชนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ใช่ยอมแพ้ทั้งหมดหลงเป็นหลงสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์เรียกว่าแพ้เป็น巴拉ชายพ่ายแพ้เป็นกรรมมจุขนิการโยกอ่อนแอให้ทุกข์เป็นทุกข์ให้สุขเป็นสุขให้หลงเป็นหลงให้โกรธเป็นโกรธ巴拉ชัยคนอ่อนแอ เป็นทางตันเป็นหีนะหีนะเลวเป็นทางเงินตำสาามเป็นของชาวบ้านเป็นของต่ําามบ่อนป่าคิดไม่ควรเสพไม่หลงเป็นหลงไม่ควรเสพให้ทุกเป็นทุกไม่ควรเสพให้กิเลสตัณหาเป็นกิเลสตัณหาไม่ควรเสพมันเป็นของเลวเป็นของชาวบ้าน ไม่ใช่ของส ม, มณนะไมาใช่ผพืชผู้ประพืชพรมจย์ตู้ประพืชพรมจย์ต้องเปลี่ยนลายเป็นดีอย่างนี้เหมือนเปลี่ยนน้าจริงเรื่องเนี้ยไ ม, ไม่ไม่ต้องออกแรงเลยตามความเห็นผิดให้เห็นถูกเอาเคลื่อนไหวให้ช่วยให้รู้สึกตัวกู้ฉันเข้าเหยื่อฉันออก หายใจเข้าหายใจออกก็รู้ได้กลางวันเราทำงานหนักแต่นอนหัวค่มหน่อยก็ดีตื่นต่ดดึกออกทุ่งเที่ยงคืนตื่นแล้วตื่นแล้วเข้าฌานตึกตรงในชินธรรมสนุกดีนอนอยู่ก็ได้ หายใจเข้าหาใจออกอที่เห็นก็ออัทองสัมผัสกับจิตกับทรง ม, มีตกวิจาริติสุขเอ ต, อตอเอะคัตตาไหลก็มาถึงเขาไม่เป็นอะไรมีสติเรื่อยไปฌานจริงๆก็คือสตินี่แหละฌานจริงๆคือสตินี้ฌานส ม, ม่มัมบคือสตินี้เท่านั้น ถ้าไม่มีสติเป็นฌานไม่ได้ฌานแบบก้อนอี่ก้อนเห็นไม่ใช่ฌานอย่างนั้นเคมีมาก่อนแล้วอูทั้งหกเขาทำมาก่อนแล้วอุตสกาห์ไบทอุตบบ ส, ส่าห์ได้บทอุตส่าหบทสอนพระสิทธะได้ฌานสมาธิเจ็ด เราได้ ร, ะ ร, ะระบททสอนด้ยฌานสมาบัติแตแสดงว่ามีมาแล้วยังไม่เป็นพุทธยาวเลยเมื่พอพองไปศึกษาเรื่องนี้โดยลำพังพวกเดียวนั่นจึงได้เป็นฌานสมาบัติที่เป็นเครื่องเผกจิตจจริงๆ จนเหนือการเกิดเจ็บตายนม่เคเห็นนันสุขเถิดไดจะตัวตชานขอร้สุขหรอตายมีสติเป็นเอกมีสิแ ล, แล้วอยู่ตรงนี้พระเจ้าปริพัน์ตรงนี้เหนือการเกิดเจเจ็บตาย ไม่ความเจ็บเป็นความเจ็บคมทุกข์เป็นความทุกข์มีสติแล้วแหละอยู่มีสติแล้วแหละอยู่เนี่ยอันนี้คือฌานสติที่สุดสติเบื้องต้นต้องกลางเบื้องต้นคือสติตามกลางคือสติที่สุดคือสติตอเอาอันเดียวนั่นก็พอละพวกหลาคือทั้งหมดแล้ว แต่รู้สึกตัวอยู่ที่กายที่ใจของเรารู้สึกตัวกับรับความชั่วทําความดีจิตบริสุทธิ์แล้วจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ทุกชีวิตไม่เป็นหมันตาาว่าพลิกมือขึ้นรู้สึกหายใจเข้าหายโยกรู้สึกมีหน่อโพธิเล่นต้นกล้าต้นหน่อให้บันดี ถ้าหนอแข็งแรงก็งามได้ไหวถ้าหนอไม่แข็งแรงกระดองก็แเด้งก็แก่นไปเลยไม่ค่อยกล้ามหลวงตาเล่นต้นกล้าจะไหก่อนดูตั้งแต่เป็นหนอโน่นถ้าหนอมันไม่แข็งแรงมันมันแก่นก็ไม่เอา ไปขอโทษก้าของเขาเขาบอกให้ไปเอาตอนนั่นตนนี้ไปดูแลไม่เอาเลือกไม่เราไปขอขอไม่ใช่เราเจ้าทั้งหมดบอกให้เอาตรง น, นั้น <c oughs> ไปดูแล้วไม่ออกตรงที่มันดีทำไมไม่ให้ก็เห็นอยู่ก็เลยไปถามเขาตรง น, นั้นทำไมไม่ให้ เป็นไม้โครงการเขาโครงการอะไรโครงการของสามพักแก่ผู้หลักผู้ใหญ่ไอผู้หลักผู้ใหญ่โครงการใครลายมาแข่งขันกันดูใครจะปลูกเก่งโครงกันต้นไม้เนะี่ยนั้นใหญ่ขนาดไหนเราก็มีโครงการ น, นะแล้วจะปลูกให้เป็นหนาเจ้าชโฉกเนี่ย แข่งขันกันเราโลขยลูกกี่งกันแล้วก็ให้แล้วจะเอาเท่าไหร่เอาหมดให้เอาให้หมดเอาหมดมีเนื้อที่ตั้งสองสามร้อยไร่เป็นที่วัดไปไม่จะสร้างป่าึ้นป่าถาวรนะป่าแบบนี้ทำเล่นๆแบบนี้ต้นขี้เหล็กต้นใช้ใบต้น ทรงกดานต้นเนี่ยไม่เอารอกไม่เล่นไม่ใช่ถาวรเอาไม่โยงไม่ยางไม่ถาวร น, นอเ น, นี่ยเอาหูเนี่ยถ้าเจะหัวนี่ต้องไปหาหวัวหน้าก็หวัวหน้าเข า, าอยู่ที่ไหนโน้ต อ, อยู่ชั้นสองขึ้นไปเขาก็ถามเรามาลลอะไรหลุงตามาขอตอ้นมั้งเนีอาก็คนงานอยู่ด้านคน ง, งานเขาบอกให้ไปเอาตอนน้นเลยเล็กเอาไปทำใหม่ เราจะปลูกป่าขาวอนยาได้ไงอยากได้นั่ไม่โครงการมอนั่นไม่โครงการเขาอนั้นแหละเอาจะไปปลูกให้ดูเขาก็งงพระอะไรหน้าด้านแบบนี้ไปเถอะเออเออก็ลงป่าไปไปดูเที่ยตรงไหนแปลงไหนมายเลขเท่าไหร่เนี่ยแปลงนี้มาเล็กเท่าไหร่ไม่รู้หรอก อเอาก็เอาเถอเป็นปา่าเห็นไหมเนี่ยต้นยางนะ <laughs> เอ<า>เห็นผู้หลงปลูกอหรเอาไม้มาดูใี่ไม่เลยไปวันนั่นไปไม่ได้มหาวันปลูกโตต้นก็ไม่ดูใช่ไม่คิวดว่าต้นป่โอ้ยมาอย่างนี้ปลูกเป็นป่าได้ไงนะไม่สวยเลยเลต้นเนี้ยที่อาจารย์ตุต้มเพาะไว้ทนั้นทนนี่ดีหน่อย เล่นต้นกาเล่นเบีย้ยนะถ้า ต, ต้นกา้ามาดีมันก็ไม่งอก ม, มันแกนปูกไปขึ้นจิตลรงเป็นต้นกา้าบำรุง ด, ดีความเพียรมันน่าผลใสใจใจะรู่เสมอเป็นความเพียรลดต้นก้าของเราให้รู้เสมอ น, นิดเล็กแต่น้อ ย, อยก็โล ไปไหนมาไหนให้คิดถึงต้นกลาก้าของเราเราหวังอยากให้กระทบกดเถือนมันอ่อนอยู่วันนั้นปลูกต้นไม้สอนหลวงพว่อกรมเอาต้นไม้ออกจากถุงเหมือนกันเอาผ้าอ้อมออกจากลูกค่อยๆ อ, ออกนะอย่าให้แตกนะเมืันเอาผ้าอ้อมออกจากลูกน้อยเคยไหมเคยเลี้ยงลูกไหม <c oughs> เราอาผาอ้อมออกจเราค่อยๆเปิดหน้าเปิดหน้าเรเอา้ออมบอกเรายกลูกใสอูใสเปรย้อนลงในหลมเหมือนเอาลูกใสเปยาอย่าอ่ายาก็เปลือนเหมือนเอาลูกน้อยใสเปรต้นกล้าต้นเบี้ยให้ความรักหลงไปให้ความเมตตาหลงไปพอใจหลงไป อาเด่นกอบอย่างนิ่มนวลมีน้ำใจลงไปคิดถึงตอนไมมมันได้กินเรามันก็เอียใจชื่นใจเหมือนกันแต่เยี่ยมบ้างมองโดบ้างสเหลียงตาโดบ้างให้เห็นให้สัมผัสกันความรู้สึกตัวของเราเหมือนต้นกล้าเด็กๆใส่ใจลงไป ให้มีความรักพอใจฉันทะพอใจวิเยาะเพียรประกอบกิจเต่าใจใจวิมังสาติตองดูเหตุดูผลถ้ามันหดมันแห้งน้ำก็เสียชลาบ้างเอนาน้ำไปฝากบ้างเล็กน้อยน้อยยังดีไม่มีน้ำก็ไม่น้ำใจอง ทำอะไรก็ตามถ้าใส่ใจรองดูมันมันงอกงามอย่าทำเล่นๆอะไรสมัครเล่นไม่ใช่ทดลองมาได้ชีวิตเราถ้าผิดก็ผิดไปเลยถ้าถูกก็ถูกไปเลยมันไม่เหมือนอันอื่นถ้าหลงก็หลงไปเลยถ้าทุกข์ก็ทุกข์ไปเลยถ้าสุขก็สุขไปเลยถ้าโกรธก็โกรธไปเลยถ้ารักก็รักไปเลย ถ้าเกียดก็เกลียดไปเลยเสียแล้วทดลองมาได้เป็นรอยแล้วแต่ให้หลองอยู่เรื่อ ย, อยก็วามหลงก็ยังไปตาอยู่ขยกชินไะแล้วโมหะจฉลิ่ไปแล้วเหมือนเราทดลองก่อยทดลองตัดนิ้วมือดูสิมันก็ขาดจริงๆอะ แล้วมันขาดเอาแต่มันต่อไม่ได้นะตัดแขนก็ขาดแขนไปเลยนะมันต่อไม่ได้นชีวิตเราไม่ใช่ทดลองไม่ใช่อะไรที่เหมือนวัตถุสิ่งของรวมหลงไม่แต่นี่หน่อยอย่าไปทดลองลักสักหน่อยก็ดีนะถโทษจาจะบานให้ความรักไม่ได้ไปคืแล้วเสียหายไปแล้วโทษจะบาให้ความเกลียด พลาดไปแล้ ว, ท, ว, วทอดสบาันควมโกรธทบไปแล้วถ้ามันเกิดขึ้นไม่ทอดสัพันไม่ได้เจตนาะมันก็ไม่เป็นกรรมเป็นการตัดกรรมกรรมไม่มีผลหรอกก็ออรู้ขึ้นมาถือว่ากรรมไม่มีผลเหมือนกันการตัดกรรมถ้ากรรมที่ทอดสัพานอุกฤษกรรมมันบีบคัดนะเคย เขาก็จะวางไอ้กิเลสตนณาบีบพันเราสักสัานงมังวันหลงเทยรู้ที่นั่นเราเนี่ยเป็นครูของเราสอนเราไม่มีใครรู้เท่า ก, กับตัวเราโดยพ่าะภาปฏิบัติเนี่ยสอบปลอมไม่ใช่คนอื่นบอกผิดบอกถูกไม่ใช่เขียนให้คนใ น, น, นชั้นสี่ชั้นห้าชั้นนั้นชั้นนี้แล้วไม่ใช่ อะไรที่เป็นฌานมันแนะนากันมาได้อะไรที่เป็นโฉกผิดอะไรชติอะไรความโกรธความหล ง, ลงไม่มีคำถามมันหล ง, ลงเราเป็นผู้หลงมันร<ง>ู้เราเป็นผู้รู้เอ ง, งให้มันชํนานาญตรงนี้ให้ความหลงเป็นความรู้ไปก็ปมีฝีมือถ้าเปลี่ยนหลงเป็นรู้หรือว่าคนมีฝีมือเปลี่ยนทุกเป็นรู้แร้วมีฝีมือ มัอนในช่างที่มีฝีมือทํำสิงที่ดีให้มันดีขึ้นมามีฝีมือถ้าเป็ น, ปนมีฝีมือแล้วก็ไม่ต้องออกแรงเท่าไหร่ถ้าคนไม่มีฝืง อ, ออกแรงตับเหนื่อทั้งวันในพันห้าเดินไปเดินมาแต่ห้าพันใช่ไหมล้ <c oughs> อเพยงใช่ไหม <c oughs> นัง่งเฉยเฉยไม่ทำไรได้หมื่นฮะแต่ไม่ฝีมือนังอ่งเฉยเฉยก็บรรลุธรรมได้ฮะถ้ามันถ้าเก่งนะเรียกว่าอุคติตัญญูบคุคุณมีในโลกบรรลุธรรมตัจรุฉับพันมีมือนกันอุคติตัญญู พิปฏิจัณยูนอยะปทะปัลมะเหมือนบัวชีเหลเราที่อุคติจัณยูคนน้ำพร้อมจะ บ, บานปั๊บทันทีเลยให้เราเตรียมพร้อมอยู่นี้เสมอการปฏิบัติธรรมอย่าประมาทช่วยโอกาสให้ได้อยู่ในรูปแบบไหนก็ไม่เกี่ยวนะเป็นนักปวดเป็นครวา่าตเป็น โอ้เยีงผู้ชายไม่เกี่ยวเดี๋ยวที่การกระทาของเราแท้ๆเรียกว่ากรรมฐานจงควรเจราาาิญกับพระพรท